พระพุทธเจ้าตรัสในคาถาธรรมบทบทที่316และ317ดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้ถือมั่นมิจฉาทิฐิย่อมละอายเพราะวัตถุอนบุคคลไม่พึงละอายย่อมไม่ละอายเพราะวัตถุอนบุคคลพึงละอายย่อมไปสู่ทุกคติสัตว์ทั้งหลายผู้ถือมั่นมิจฉาทิฐิ ผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่ไม่ควรกลัวว่าควรกลัวและมีปกติเห็นในสิ่งที่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัวย่อมไปสู่ทุขติพระพุทธดำรัตนี้สะท้อนสภาพในยุคปัจจุบันเช่นคนจนอายความจนของตนคนรวยก็ภูมิใจความมั่งมีของตนคนขี้เลออายความขี้เลของตน คนที่หน้าตาดีก็ภูมิใจความงามของตนแต่ถามว่าเงินทองและความงามใช้เป็นมาตรวัดว่าสิ่งใดที่ควรละอายสิ่งใดที่ไม่ควรละอายได้ไหมไม่ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนขี้เหล่คนหน้าตาดีถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรม ก็ไม่มีสิ่งใดที่น่าอายแต่ถ้าเป็นคนไม่มีศีลธรรมแม้จะรอจะรวยก็ไม่น่าภูมิใจเมื่อท่านได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรตรวจสอบตนเองเสมอๆว่าท่านกำลังจะทำสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลอัตมาหวังว่านี่จะช่วยให้ท่านเห็นว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ทราบ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นกุศลและสิ่งที่ไม่เป็นกุศลโดยทั่วๆไปแล้วสิ่งใดที่เขาชอบเขาก็คิดว่าสิ่งนั้นถูกเป็นกุศลสิ่งใดที่เขาไม่ชอบก็คิดว่าสิ่งนั้นผิดเป็นอกุศลแต่ความเป็นกุศลหรืออกุศลไม่อาจรู้โดยสักว่าชอบหรือไม่ชอบ สิ่งที่ถูกแท้ย่อมไม่อาจเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดย่อมไม่อาจเป็นสิ่งที่ถูกกุศลโดยเนื้อแท้ย่อมเป็นกุศลอกุศลย่อมเป็นอกุศลวันยังค่ำความชอบหรือไม่ชอบโดยส่วนตัวเปลี่ยนเนื้อแท้แห่งทำไม่ได้กลับมาพิจารณาคำถามที่สอง ในโอคะตาณะสูตรที่เทวบุตรนั้นทูลถามพระพุทธเจ้าว่ายถากถังปณะตะวังมาริสะอัปปติถังอนายุหังโอคะมาตาลีติข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุก็พระองค์ไม่พักไม่เพียรข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าพระพุทธองค์ตัดตอบว่า ยะาสวะหังอาวุโสสันติธามิตทาสสุสังสีธามิยะาสวะหังอายุหามิหนึ่งตทาสสุนิอุยหามิสองเอวังขวะหังอาวุโสอัปปติถังอนายุหังโอขมะตระรินติ ท่านผู้ม well, ีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังรอยอยู่โดยแท้ท่านผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แลเมื่อใดเรายังพักอยู่ เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้หมายความว่าถ้าท่านยังทำบาปอากุศลก็ยังต้องตกไปสู่อบายภูมิสีเมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังรอยอยู่โดยแท้หมายความว่าถ้าท่านยังทำกุศ ล, ลกรรมก็ยังต้องวนเวียนเกิดในสุขติภูมิเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหม เราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แลนี้คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงข้ามโอคะสี่ที่ข้ามได้ยากตามหลักพระธรรมแล้วจิตเดิมนั้นประพัสสอนแต่เป็นเพราะอากุศลเจตสิกเช่นความโรคความโกรธความหลงมานะความถือตัวความอิจฉาความตณี จอเข้ามาทำให้จิตมัวหมองโน้มนำให้ทำแต่อกุศรกรรมเกือบตลอดเวลาในบรรดาอากุศลเจตสิกทั้งหลายความโรคคือตัณหาย่อมนำโรคไปดังพระพุทธดำรัสในตัณหาสูตรที่สามว่าตัณหายะนิยติโลโกโตัณหายะปริกิจสติตัณหายะ เอกธรรมัสสะสัพเพวะวะสมันวคุติโลกอันตันหาย่อมนำไปอันตันหาย่อมเสือกสายไปโลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือตันหานี่คือสาเหตุที่เราเห็นคนทั่วโลกเดินขบวนตามถนนเรียกร้องสิ่งที่ตนต้องการบ้างขอเพิ่มรายได้ บ้างแก้แคนบ้างลงโทษอย่างวิปริตหดเยี่ยมบ้างสนับสนุนสิทธิในการฆ่าหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างต้องการเปลี่ยนระบบการศึกษาแม้กระทั่งเรียกร้องสิทธิในการทำแทง้งข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้เกิดจากความกระหายในการมาสุขและความปรารถนาให้รับฟังทัศนะและความเห็นส่วนบุคคล การสนองตามข้อเรียกร้องให้พอใจทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนและเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการพวกเขาก็แสดงปฏิกิริยาด้วยความโกรธซึ่งทำให้พวกเขาต้องขืนขมเพราะโทสะที่เกิดขึ้นในใจในทางกลับกันถ้าพวกเขาได้รับตามข้อเรียกร้องก็จะมีความสุขและภูมิใจในตนเอง เมื่อบางคนประสบความสำเร็จคนอื่นก็มักอิจฉาแต่ถ้าตนเองประสบความสำเร็จก็มักจะวังเคืองในแต่ละวันผู้คนมักทำแต่อกุโสลกรรมทั้งทา ง, ทางกายวาจาและใจตั้งแต่เช้าจดข่ำถึงตอนนี้ท่านยังสงสัยอีกไหมว่าทำไมเราทั้งหลายจึงได้ทุกข์มากนะัก ในระหว่างการเกิดและการตายเราดำรงชีวิตส่วนใหญ่ในบ้านของความโรคความโกรธความหลงผิดความถือตัวความอิจฉาและความตะนีซึ่งเป็นบ้านที่ชั่วร้ายแท้ๆสําหรับเราแม้ว่ากายเราอาศัยอยู่ในวัตถุซึ่งเราเรียกว่าบ้านแต่ในคนส่วนใหญ่แล้วบ้านที่อยู่จริงๆคือความโรค ความโกรธความหลงผิดความถือตัวความอิจฉาและความตะนี่อนุสัยกิเลสเหล่านี้ติดตามเรามาแต่กําเนิดและทําให้เราทุก์ตลอดชีวิตเราส่วนใหญ่โชคร้ายตกอยู่ใต้อํานาจกิเลสเหล่านี้กิเลสเหล่านี้จึงกลายเป็นบ้านอันแท้จริงของเราดังคํากล่าว ในอัธกถาของคาถาธรรมบทเรื่องพัจจคุปาระเทระดังนี้ปรมัตตสะจานามะจตตาโรโออปายาสักกะเคหัสะทิสาขึ้นชื่อว่าอบายทั้งสี่เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้ประมาทแล้วเราทั้งหลายย่อมทราบว่า เมื่อเราไปท่องเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเรามักจะอยู่ได้ไม่นานในที่ที่เราเป็นเพียงผู้เยี่ยมเยียนเป็นธรรมชาติที่เราต้องกลับบ้านของเราในทานองเดียวกันโลกมนุษย์และสวรรค์ก็เป็นภพภูมิที่เรามาเที่ยวเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็ต้องกลับบ้านอันถาวรในอบายภูมิสี่เพราะอากุศลกรรมเป็นต้นเหตุ เหมือนไปเที่ยวที่อื่นแล้วกลับมาบ้านฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดแสดงอย่างชัดเจนถึงโอกาสที่สรรพสัตจะเกิดในสุขติภูมิหรือทุขติภูมิในสังยุตตนิกายมหาวาระวัชอามะกะทัญญะเปยยาระปถมวั์ที่เจ็ดอัญญตระสูตรดังนี้ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ในปลายพระนขาแล้วตัดเรียกพิสุทั้งหลายมาแล้วตัดถามว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันพิสุทั้งหลายกราบทูลว่า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 พระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันมนุษย์ที่ตายละจากโลกนี้ไปแล้วที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์อีกนั้นมีน้อยโดยที่แท้มนุษย์ที่ตายละจากโลกนี้ไปแล้วที่กลับมาเกิดในหมูมมมมหมสัตว์นรกมีมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ อริยสัจสี่เป็นฉไนคือทุกขอริยสัจ ท, ทุกขสมุทัยอริยสัจ ท, ทุกขนิโรธอริยสัจ ท, ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัยเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธาเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัตที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยคือเปรตมากกว่าโดยแท้สัตที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในเทพ ย, ายดามีเป็นส่วนน้อย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 มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในเทพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรก เกิดในกําเนิดสัตว์เดร ان, ัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้สัตว์ที่จุติจากปิติวิสัย ไปเกิดในเทพยดามีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากปิติวิสัยไปเกิดในนรกเกิดในกาเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่เพราะไม่รู้อริยสัจสี่เราจึงดำรงชีวิตส่วนใหญ่ในบ้านของความโลภ ความโกรธความหลงผิดความถือตัวความอิจฉาและความตณนีนี่คือเหตุผลว่าทำไมสัตว์ที่มาเกิดในหมู่มนุษย์หมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่มาเกิดในหมู่นรกดิรชานเปรตอสุรกายมีมากกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าชันนั้นเหมือนกัน สัตว์ผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีมากกว่าชันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เกือกูลแก่มารดามีน้อยโดยที่แท้ สัตผู้ไม่เรื้อกูลแก่มารดามีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เครื้อกูลแก่บิดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เกื้อกูลแก่บิดามีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เครื้อกูลแก่สมณะมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เครื้อกูลแก่สมณะมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกัน สัตผู้นอมน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้เว้นจากปานาติบาตมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่เว้นจากปานาติบาตมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ผู้งดเว้นจากอะทินนาทานมีน้อย like โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากอะทินนาทานมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากกาเมสุมิฉาจานมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกัน สัตผู้งดเว้นจากมุสาวาตมีน้อยโดยที่แท้สัตผู้ไม่งดเว้นจากมุสาวาตมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู сама, ้งดเว้นจากคําส่อเสียดมีน้อยโดยที่แท้สัตผู้ไม่งดเว้นจากคําส่อเสียดมีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตผู้งดเว้นจากคําหยาบมีน้อย โดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากคําหยามีมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ผู้งดเว้นจากคําเพ้อเจอมีน้อยโดยที่แท้สัตว์ผู้ไม่งดเว้นจากคําเพ้อเจอมีมากกว่าเมื่อเราพิจารณาตามพระพุทธดํารัสดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่ามนุษย์ที่ทํากุศลกรรมมีน้อย โดยที่แท้มนุษย์ที่ทำอากุศลกรรมมีมากกว่าดังอุปมาที่พระพุทธองค์ทรงชี้แสดงว่ามนุษย์ที่ทำกุศลกรรมมีจำนวนน้อยเปรียบได้ดุดฝุ่นเล็กน้อยที่ทรงช้อนไว้ในปลายพนขาส่วนมนุษย์ที่หมกมุ่นในอากุศลกรรมมีมากกว่าเปรียบได้ดุดแผ่นดินใหญ่ สัตว์ที่เกิดในหมู่มนุษย์หมู่เทวดาจึงมีน้อยกว่าดุดฝุ่นเล็กน้อยที่ทรงช้อนไว้ในปายพระนขาส่วนสัตว์ที่เกิดในหมู่สัตว์นรกดิรชาล์เบเตสุรกายมีมากกว่าดุดแผ่นดินใหญ่เพราะเหตุไรก็เพราะประตูสู่อบายภูมิสีเปิดโดยอกุโสลกรรม ที่เราทำในชาตินี้ถ้าเราตกไปสู่อบายภูมิจะมีสภาพเป็นอย่างไร